วันนี้เป็นวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554องค์หลวงตาของพวกเราละสังขารเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554นับจากวันนั้นนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา25วัน ข้าราชิารญานุสิทธิ์ลูกหลานทุกหมู่เหล่าได้พร้อมกันดูแลจัดงานแล้วก็มาคารวะศพมาคารวะชรีระขององค์หลวงตาไม่เว้นระยะนาาแน่นขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชน เข้ามากราบองหลวงตาพวกเราในฐานะลูกหลานที่อยู่ดูแลงานที่อยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าปราบปลื้มใจในพี่น้องลูกหลานที่อยู่ไกลเข้ามากราบแล้วก็เมื่อกราบคารวะองคหลวงตาไปแล้วก็กลับไปถึงบ้านแล้วก็อขอให้มีความสุขความสบายใจเย็นใจมีความสุขทั่วนหน้ากัน เ, เพราะว่า องหลวงตาของเราเป็นร่มโพร่มใจของคณะสิทธิาณุสิทธิลูกหลานทุกหมู่เหล่าโภนั้นพวกเราให้ความรักเคารพในองค์หลวงตาจึงหลั่งไหลกันมาถึงจะอยู่ห่างไกลแต่ว่าน้ําใจของสิทธิาณุสิทธิขององค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อในนามคณะสงฆ์เห็นแล้วก็มีความเพื่มใจกับการเข้ามากราบคารวะ แล้วก็ไม่ใช่กราบคารวะเฉยๆแล้วก็ต่างคนก็ต่างเสียสละจะตุปัจจัยร่วมงานขององค์หลวงตาด้วยเพื่อตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อได้เดินออกไปดูข้างนอกก่อนบินทบาทาได้ดูคณะกรรมการเขาขึ้นตัวเลขเที่ป้ายก็ว่าขณะนี้เงินจะตุปัจจัยที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ามาทําบุญก็ร้อย ร้อยห้าสิบกว่าล้านฮอไม่ใช่น้อยนะอ่เนี่ยไม่ใช่น้อยเห็นแล้วก็เนี่ยลุงพ่อว่าสมกับองค์หลวงตาเป็นผู้สงเคราะห์โลกจริงๆมีน้ำใจต่อโลกจริงๆคำว่าเอา่อที่จะเอารัดเอาเปรียบกับโลกสงสารหลวงตาไม่เคยมีมิแต่เสียสละในคำพูดของหลวงตาท่านบอกว่า การเสียเปรียบคนการเสียเปรียบหมูพวกเพื่อนการเสียเปรียบคนอื่นนั่นแหละคือเมตตาฟังเอาไว้นะคณะสัท ธ, ธายาโยมลูกหลานคำว่าได้เปียบคนอื่นนั่นแนหะคือคนขาดเมตตาคนไร้เมตตาหลวงตาคําพูดของหลวงตาอย่างนั้นนี่แหละเป็นคําพูดที่ลึกซึ้ ง, งฟังดูแล้ว อ, ะอ่ะการเสียเปรียกคนอื่นนั่นแหละคือเมตตาของเรา คือเรายอมแพ้เมื่อเรายอมแพ้ะเขาชนะสอกเราก็มีน้ําใจส่วนหนึ่งบอกว่า เ, เราเป็นผู้มีเมตตา เ, เพราะฉะนั้นพวกเรามาในงานทุกคนให้เป็นผู้ยอมเสียเปียบอย่าไปเอาเปรียบหรืออยไปเอาชนะละลานคนอื่นเขาอันนี้คือคําพูดคําสั่งของหลวงตาของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเราเข้ามาทํางานแล้วมาอยู่ในวัดของหลวงตาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันไหนที่ไม่ดีไม่งามสกรปกรกรกครงรั ง, รงไม่สะอาดพวกเราต้องช่วยกันห้องน้ําห้องถาขยงขยะช่วยกันเก็บนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลจิตจติด จ, จิตใจของพวกเราเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้สวยงามสวยงามทั้งกายสวยงามทั้งใจเพราะพวกเราทําความสะอาดนะ แต่ท่อมาแล้วก็ต่างคนต่างทิ้งทิ้งขยงขยะลกลงลังไปหมดถ้าติดพบติดชาติต่อไปก็เป็นคนไม่สวยงามนะ เ, เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะแต่หลวงพ่อกับภูมิใจจริงเมื่อวานออกไปดูเมน เ, เมนของโลงตาก็เสร็จไปเกือบ 90% อร์เซนยังเหลือแต่ล้วรอบนอก ส่วนอื่นแปลว่าเบาใจได้หมดแล้วพร้อมแต่ยังเหลือแต่พวกไฟพวกสายไฟที่จะขึงลวดสริงอันนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นก็พร้อมที่จะขึ้นได้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วก่อนหน้าเปลื้มปีติก็คือไฟฟ้าไฟฟ้าฝ่ายผลไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านมีน้ําใจอย่างมากทั้งพออทั้งลูกน้องท่านส่งมา ให้พวกเราได้ใช้ไฟถวายองค์หลวงตาด้วยนะถวายฟรีนะพวกเราใช้ไฟฟรีนั่นแหละนี่แหล ะ, ะจนกว่าจะเสร็จงานพวกลูกหลานคณะสัตยาติยมทุกท่นนะัน้ะแต่ถึงยังไงถึงจะใช้ไฟฟรีก็เถอะนะต้องประหยัดช่วยกันเพราะเป็นไฟของรัฐบาลเป็นไฟหลวงพวกเราไม่ใช่พอใช้ไฟฟรีเราเปิดทั้งวีทั้งวันก็ไม่ใช่น ะ, ะให้ช่วยกันประหยัดนี่แหละ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งท่านแสดงออกน้ําใจกับองค์หลวงตาแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเราหลวงตาเป็นผู้สงเคราะห์สงเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองเอาเงินเอาทองคําเข้าคลังหลือหลวงเป็นสมบัติของประเทศชาติขนาดนี้พวกหมู่ทุกเราควรสมควรอย่างยิ่งถ้าไม่หนักถ้าไม่หนักจนเกินไปก็ควรจะเสียสละให้แก่องค์หลวงตาของพวกเรานะ ผู้ร้านทุกคนควรจะเสียสละเพื่อลวงตาถ้าไม่หนักหนาจนเกินไปถ้านหนักหนาก็เออเอาไม่ว่ากันถ้าไม่นักหนาแล้วกเ็เราควรจะมาร่วมกันเสียสละกับองหลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงตาเาพราะหลวงตาเป็นผู้สงเคราะห์โลกเป็นผู้เสียสละต่อโลกให้ทุกอย่าง อ, าอย่างพินัยกรรมหลวงตาหลวงพ่อจําอยู่เสมอว่อาก่อนที่ท่านจะจากไปท่านยังเขียนพินัยกรรม ไว้อีกว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่มาช่วยในงานศพงานงานเมนของเราเให้เอาเข้าคังหลวงทั้งหมดอย่าเอามาใช้สุรุย่ยสุรายเอาให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่านห่วงประเทศชาติถึงขนาดนั้นแหละจากนั้นท่านก็ลาโลกไปท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปมีแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นของหลวงตาที่ท่านบำเพ็ญมาด้วยดีเท่านั้น ส่วนสมบัติภายนอกเนี่ยท่านมอบให้แก่ลูกแก่หลานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนเข้ามาในงาน เ, เข้ามาในงานของหลวงตาเนี่ยเข้ามาในวัดของหลวงตาเนี่ยเป็นผู้เสียสละนะ้อย่ามาคิดที่ไม่ดีเป็นขโมยโผยโจรกีดถงกีดกระโปงกระเป๋าเออขโมยฉกสิ่งของนั้นสิ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ว่าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีไม่ควรจะมีนะลูกหลานนะ้ ถ้าทำไปแล้วเป็นบาปจิตติดจิตจติดใจของลูกหลานไปนานเท่านานเพราะเหตุไรเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลวงตามีแต่สั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมนะลูกหลานนะเออตอนนี้ไปรับพรทีนี